แล้วอย่างใจความโดยสรุปก็ในในท้ายเล่มเนี่ยนะในหนังสือบทสรรเสริญพระรัตนตรัยท้ายเล่มเนี่ยจะกล่าวถึงพระพุทธคุณความหมายของอิติปิโส ต, ตั้งแต่อรหังเป็นต้นโดยย่อนั่นเองเนยนะเพราะฉะนั้นพอจบพระธรรมเทศนาที่บทสุดที่รักแสดงเนี่ยนะคือรักลูกคนนี้มากว่าลูกคนนี้แสดงเลยโอ้ยเลื่อมสายมากนะเพราะว่าเชื่อผลงานหลายอย่างก็เลยส่งใจตามเนี่ยนะ ก็ถามว่าเอ๊ไม่เห็นแสดงอริยสัจเลยบรรลุได้ยังไงตั้งแต่อรหันเนี่ยอรหันก็คือผู้ที่ทํำกิจในอริยสัจเสร็จแล้วสัมมาสัมพุทโธก็ตรัสรู้อริยสัจเสร็จสิ้นแล้วอริยสัจมาประกาศแสดงวิชาจารณะสัมปันโนก็อาสวัคคายนก็รู้อริยสัจจารณะเนี่ยนะข้อปัญญาก็ปัญญารู้เห็นความเกิดดับอันเป็นอริยะก็คือปัญญาที่รู้อริยสัจนั่นเองสุขโตก็ไปตามอริยมรรคไปสู่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 เจ้าจึงได้ทําอย่างนี้ทําไมจึงไม่ให้แม่ดื่มอมะตะรมทําไมไม่แหบทาไมไม่ให้แม่บรรลุมรรคผลเห็นพระนิพพานอย่างนี้ตลอดเวลา น, านานถึงเพียงนี้ทําไมเนาะก่อนจะตายแล้วจึงมาเทศก่อนหน้านี้มีเห็นมาแสดงให้แม่ฟังบัางเลย น, นะนะพระเถระก็คิดว่าบัดนี้พอแล้วละคุ้มแล้วละสําหรับค่าน้ํานมค่าป้อนข้าว น, น, นะนะก็เรียกว่าผลตอบแทนเนี่ยนะของการเลี้ยงดูที่แม่เลี้ยงดูมา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 บอกว่าแต่แกต้องช่วยให้ฉันเป็นโสดาบันนะแต่แกห้ามพูดสั่งสอนอะไรฉันเพราะฉันเป็นพ่อเป็นแม่งไงหรือเปล่านะยากอย่างกันนะเขาบอกว่าใครจะพูดให้ใครยากเท่ากับฟังพูดให้พ่อแม่ฟังแล้าว่างั้นฉนะันเลี้ยงเธอมาตั้งนะเมื่อไหร่ก็ว่าไปนะนะเสร็จแล้วก็พอแสดงพอบรรลุเป็นพระโสดาบันจบภาษารีบุตรก็ส่งนางพรามณีไปบอก ว, กว่ากลับไปเถอะมหาอุบาสิกา เสร็จแล้วก็ถามน้องชายเนี่ยนะพระมหาจุนท้าว่าบัดนี้จวนสว่างหรือยังพระมหาจุนท้าก็ตอบว่าจวนสว่างแล้วครับอ่ะถ้าอย่างนั้นท่านจงประชุมภิกษุสงฆ์เถิดเนี่ยนะก็ให้ประชุมภิกษุสงฆ์ห้าร้อยที่ติดตามท่านมาเนี่ยนะ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 มิหารนารันทาเนี่ยนะพอประชุมภิกษุสงเสร็จเนี่ยนะก็บอกว่าช่วยยกเราให้นั่งทีสิพระจุนทาก็ช่วยประคองให้พระสารีบุตรลุกขึ้นนั่งพระเถระก็เรียกพระภิกษุทั้งหลายผู้เป็นลูกศิษย์ติด ต, ต, ตามตนมาตลอดสี่บห้าปีบอกว่าพวกท่านอยู่กับเรามาถึงสี่สิบสี่ปีถ้าหากว่าท่านไม่ชอบใจทางกายกรรมก็ตาม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 ภาษาดิบุตรปรินิพานเนี่ยนะสถานที่ภาษาดิบุตรปรินิพานก็ยังเป็นที่เคารพบูชาของสัพพสัตต์ทั้งหลายจุบจนปัจจุบันและก็ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะทีนี้ฝ่ายท่านพระมหาจุนทะนี่ก็ถือบาทและจีวร ห, อ พ, หอพระหอพระธาตุไปยังพระเชตวันเนี่ยนะเสร็จแล้วก็เข้าไปหาท่านพระอนนท์เถระเสร็จแล้วก็พาพระอนนท์เนี่ยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าถือผ้ากรองน้ำนะเรียกว่าถือผ้ากรองน้าหอพระธาตุเสร็จแล้วก็กล่าวคุณของพระสารีบุตรเถระด้วยคาถา500คาถาชมพระสารีบุตรชมอยู่นานมากนะชื่นชมแสดงความยินดีมากเลยนะเสร็จแล้วก็โปรดให้สร้างพระธาตุเจดีย์ให้ประธานสัญญาแก่พระอนนทิระเพื่อจะกลับไปยังกรุงราชครึก นะหลังจากที่สร้างจีดีสร้างอะไรบรรจุพระธาตุภาษารีบุตรเสร็จแล้วพระองค์ก็จากสาวถีไปไปกรุงราชคฤกเพื่อให้ภาษาพระอ น, นุนเนี่ยบอกพระภิกษุทั้งหลายฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้ามีภิกษุสงฆ์เป็นบริวารเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤกในเวลาเสด็จไปยังกรุงราชคฤกนั้นพระมหาโมฆลลานะเทระก็ปรินิพานเนี่ยนะคือตอนที่ไปอยู่ที่เมืองราชคฤชเนี่ยนะ ตอนนั้นเนี่ยลาบส ก, การะของเดรธีเนี่ยทุดโทมมากเดรธีไม่มีใครนับถือก็มีเดรธีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ก็คิดว่าเออพระเขาคิดว่าเ อ, อ๊ะทำไมนะศาสนาพระโคดมเนี่ยจึงเจริญรุ่งเรืองเหลือเกินเพราะอะไรก็ตั้งโจทย์กันในสภาของของพวกกลุ่มเดรธีคิดกันไปคิดกันมาในที่สุดขอข้อยุติได้ก็เพราะพระมหาโมคคลานะนี่แหละพระพุทธศ า, าสนาจึงเจริญรุ่งเรืองถามว่าทําไม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 ที่จริงแล้วกลุ่มเดียร์ีเนี่ยวางแผนที่จะทําลายพระพุทธศาสนาเนี่ยมีหลายแผนด้วยกันนะแผนตั้งแต่สมัยพระองค์มีพระชนอยู่กลุ่มที่มุ่มมทมงทําลายก่อนก็คือกลุ่มพระเทวทัตเนี่ยมุ่งทําลายก่อนชุดแรกนะกลุ่มพระเทวทัตก็มุ่งทําลายกลุ่มเดียร์ีก็ใช้นางสุนทรีบ้างนางจินจั่นมาณวิกาเป็นต้นบ้างมาเพื่อทําลายแล้วก็ยุคหลังๆก็วางแผนเอ่อบางคนก็บางกลุ่มก็ให้ด่าเนี่ยนะช่วยกันด่ารับจ้างด่าเป็นต้นรับจ้างด่าพระรัตนตรัยเนี่ยนะ แต่ก็มีนะมีคนหนึ่งเขารับค่าจ้างมาเพื่อจะด่าพระพุทธเจ้ารับมาเลยพันหนึ่งโอ้โหนักด่ามือฉกาดเลยนะจ้างนักด่ามาให้คนนี้ด่าเก่งที่สุดแล้วก็ไปจ้างมาพันหนึ่งให้ไปด่าพระพุทธเจ้าตอ น, นี้ก็ไปถึงไปถึงก็มองดูพระพุทธเจ้าดูตั้งกับผมจดปลายเท้าตั้งกับเท้าขึ้นผมเอ้ยคนอย่างนี้ด่าไม่ได้ถ้าด่าหัวเราแตกเก็ดเสียนชมอย่างเดียวเท่ากับจ้างไปชมเหมือนกันนะอย่างนี้ก็มีอนะมันก็กลุ่ม แต่นี้ย้อนกลับมาว่ากลุ่มเดรัทธีกลุ่มนี้เนี่ยก็วางแผนคิดไปคิดมาบอกว่าเราต้องฆ่าท่านอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเอ๊ยยังไงดีฆ่าก็เลยจ้างให้คนไปฆ่านีท่านไปครั้งที่หนึ่งท่านก็เหาะหนีไปครั้งที่สองท่านก็เหาะออกตามช่องกุญแจบ้างเหาะไปเนี่ยนะในที่สุดก็ฆ่าไม่ได้ครั้งที่เจ็นี่ท่านก็มาบอกว่ากรรมเนี่ยมาถึงเราแล้วว่ากรรมมาถึงเราแล้วบอกว่าถึงเราจะหนียังไงก็ไม่รอดแล้ววันนี้ท่านก็ไม่ออกไปไหนก็เลยถูกทุบตายเนี่ย ถูกทุบจนกระดูกเนี่ยเป็นเครียกว่าป่นหมดเละหมดเลยแล้วก็จับไปโยนทิ้งไว้ที่กองขยะนะเสร็จแล้วพอพอจรออกไปท่านก็ประสาน ร, ร่างกายของท่านให้ให้เข้าเหมือนกับกลับเหมือนเดิมเนี่ยนะก็ไปลาพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรินิพานแล้วก็พระ อ, องค์ก็ให้สร้างเจดีย์เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคขาลานะแล้วพิสูจน์ทั้งหลายก็สนทนากันว่าพระโมกขาลานะนะตายในฐานะที่ไม่สมควรเนี่ยนะ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 ก็ไปอย่างที่ริมฝั่งแม่น้ําคงคาในอุกระเ ว, เวลคามนั้นน่ะพระองค์ให้ภิกษุษสงฆ์เนี่ยเป็นบริวารประทับนั่งณนะที่นั้นแสดงพระสูตรเกี่ยวกับด้วยการปรินิพานของพระสารีบุตรและพระโมคขลานะพระพระ น, นนเนี่ยนะเป็นพระนนเนี่ยท่านรักพระอยู่หลายรูปด้วยกันหนึ่งพระพระที่พระนนรักมากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะรักมากเลยนะ บอพอได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ข่าวว่าป่วยเนี่ยพระนรนก็ป่วยแล้วว่างั้นเถอะอันนี้อย่างที่สองผู้ที่พระนรนรักมากก็คือพระสารีบุตรเนี่ยนะรองลงมารองลงมาองค์ที่สามก็คือพระหมหากรส ป, ปะเป็นพระที่แปลว่า พ, พระที่พระอยู่ในดวงใจพระนน น, นะท่านยรักของท่านมากนะในโดยเฉพาะหลังจากที่พระสารีบุตรปรินิพานนะท่านก็ละห้อยเลยนะเสร็จแล้วก็บอกโอ้เสียใจมากทิศทั้งหลายไม่ปรากฏเนี่ยธรรมะก็ไม่ปรากฏคิดอะไรก็คิดไม่ออกว่างั้น พระพุทธพระอนก็ไปกราบทูลให้พระพุทธเจ้าฟังแบบนี้พระองค์ก็บอกว่าอ น, นุนภาษารีบุตรพาศีนิพานไปด้วยหรือเปลา่าพระเจ้าคะาอะไรน่ะเอาพาสมาธิ ป, ปรินิพานไปด้วยหรือเปลา่าพระเจ้าค่าพาปัญญาวิมุตติวิมุตติยานัทสนะปรินิพานไปด้วยหรือเปลา่าพระเจ้าขา้าบอกเอา้เอาแล้วทาไมต้องเสียใจะ ต่ก็เนี่ยข้อภาษารีบุตรท่านเป็นคนขยันนะ่ะท่านสงเคราะห์เพื่อนพรหมจารีท่านไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยท่านโอวาสได้สั่งสอนได้ตลอดเนี่ยนะก็คิดถึงคุณของท่านอานนท์เราเคยบอกเคยกล่าวไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือเราจะต้อง พ, พลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปนั่นแหละนี่ยนะแล้วก็แสดงทำให้ฟังนะนี่พระองค์ก็ตรัสพระสู่ที่เกี่ยวกับการปรินิพานของภาษาลีบุตรเสร็จแล้วก็เสด็จไปจนถึง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 ปลงมายุสังขารก็ขอเป็นวันเสาร์หน้าก็แล้วกันเนี่ยนะสำหรับเกี่ยวกับการปลงมายุสังขารของพระผู้มีพระภาคเจ้าสําหรับวันนี้ก็คงมหาปรินิพานสูตรก็ถึงปรินิพานของพระอัครสาวก ค, คือพระสารีบุตรกับพระมหาโมคคลานะเนี่ยนะที่จริงเราก็น่าจะดีใจกับท่าน น, นะเพราะท่านพ้นทุกข์แล้วเนี่ยนะแต่ของมาของใกล้เลยนะท่านถูก ประหารเป็นครั้งสุดท้ายแต่คงเราจะถูกประหารอีกกันกี่ครั้งเนะาะเหมือนั้นก็ขอเ ร, ะะรียกว่านอบน้อมบูชาพระอริยะเหล่านั้นก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้ เ, เข้าถึงธรรมะที่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธรธรรมและพระสงฆ์มียริยะการตัดสินโดยทุ่นกันเนี่ยนะจะได้เป็นผู้มีอาบายทุกขติวินิบาตนารกอันปิดไว้แล้วเนี่ยนะเป็นผู้ที่แน่นอนที่จะได้ตรัสรูต้ต่อไปในอนาคต